ความ Love never fails ในภาษาไทยแปลไว้ 2 คำ คือถ้ารักแล้วมันย่อมนําไปถึงความสําเร็จการจะแปลความไปอย่างนั้นนะเพราะความรักไม่ <c oughs> มีชอบอย่างไรก็ตามคําว่ารักสามารถมีความหมายเกี่ยว ใช้สําหรับความรักยิ่งนะที่จะหานิยามสากลคําว่ารักงั้นถ้าช่วยทําจับความคํายากยากมากนะฮะแต่ละแต่ ก็มีความแตก 4 คํา 4 คํา 4 แบบแล้วแต่ยูรอสนะเป็น ถ้าไปเจอภาษาอังกฤษก็อาจเขียนว่าสตอจี้เพราะตัวเกรมาเขาใช้ นะฮะเป็นความรักระหว่างเพื่อนมิตรสหายนะเพื่อนมันมิตรสหายสุดท้าย ฉันหญิงอ่าสาวชายหนุ่มความรักฉันพี่น้องญาติเครือญาติและความรัก นะเพราะรักอกาเปนี่จะครอบคลุมไปทุกๆความรักแหละทําให้ทุกๆความรักนั้นคงถาวรว่าตรง อย่างอื่นอาจจะมีการตัดความเป็นเพื่อนมีการสิ้นสุดนะความนั่นอื่นแต่อากาเป้นี่จะ อ่าก็ 2544 545 เป็นเรื่องของเอ่อชายหนุ่มหญิง ศาลชั้นต้นตัดสิน ความรักเข้ามาเป็นตัวอ่าชี้วัดในการ <c oughs> นั่นคือการฎีกาของจำเลยนะจำเลยว่าเอ่อคนนี้ตายเนี่ยคมเหงจิตใจเค้า ความยินดีที่คน และกระทําการกระทําที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ ผมไม่รู้ว่าศาลนี้มีเสียเอานิยามความรัก ความรักนั้นกอดทนนานและก็ทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่แต่ชื่นชมดีเมื่อพฤติ ไม่มีวันสิ้นนะความรักไม่มีวันสิ้นบุญใจฐานครับพระบิดาเจ้าส่งเสริมขอบพระ และช่วยเข้าหัวหน้า จะทําให้ความรักทุกอย่างยั่งยืนมั่นคงนะฮะอันนั้นคือสิ่งเกิดขึ้นเพราะว่าความรักประเภท รักแบบนี้ 2 สรุปคิดนี้คิดในคิดในแง่บวกเสมอและความรักกับกาแฟ อย่างที่มันควรจะเป็นได้นะครับที่มันควรจะเป็นได้นะครับนั้นเรามาดูถึง นะถ้าอภัยจะทนได้ถ้าไม่อภัยทนไม่ได้งั้นความรักชีวิตเนี่ยเป็นความรักที่ทนนานคําว่าทนนานมันสืบเนื่องมาจากความพร้อมอภัยเสมอนะเมื่อ เรา I have kept the faith ข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้วเปาโลบอกก่อนตายนะข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างสุดกําลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงวิสุทธิ์ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วเหตุผลเพราะมีความได้ ถ้าทนกับใครได้มีเหตุผลเดียวถ้าอภัยได้ก็ทนได้ถ้าอภัยไม่ได้ก็ทนไม่ได้ นะถ้ามาทําดีแล้วก็มองรุ่นวงนี้เพราะเราไม่ให้ภัยจะทําขนาดไหนก็ตามแต่บางคนผม มีอะไรบ้างที่พระเจ้าอภัยเราไม่ได้ไม่มีนะฮะไม่มีสักอย่างที่พระเจ้า <นะคะ S 2> แต่ถ้าเราไม่อภัยพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ให้อภัยเสมอ นั้นผมถึงบอกว่า นะนั้นคือสิ่งให้หนุนใจให้มองเห็นว่าที่อด 2 ของความรักที่เรียก แง่บวกคนที่ใจกว้างคนเป็นสังเกตเช่นความรักไม่อิจฉามีใจกว้างไงเค้าได้ดีแล้ว ขึ้นมาทําอะไรต่างๆเหมือนเราได้ก็ใจกว้างพอความ แม้ไม่หยาบคายถึงแม้บางคําบางคาแม้มันมันน่าจะ คิดถึงคนอื่นด้วยบาปที่เป็นตัวชีเราก็มีความเห็นแก่ตัวนะเราลองเราจะ ใจใจใจกว้างใจน้อยใจน้อยแย่ๆเลยนะนะอันนั้นคือสําคัญใจกว้างและคิดในแง่บวกไม่ฉุนเฉียวไม่โมโหเร็วนะไม่โมโหเร็วแต่ถ้าใจไม่อะไรนิดหน่อยก็โมโหอะไรนิดหน่อยก็ใจกว้างยังฟังอยู่ยังรับฟังคนใจกว้างมักรับฟังคนอื่น ไม่ค่อยฟังชาวบ้านเค้านะฮะอันนั้นคือสิ่งที่จะให้มองเห็นและคนใจกว้างไม่ค่อยจดจําความผิดไม่ค่อยจดจําไม่อยากไม่ช่วยอะไรได้ขึ้นมาการจําความผิดไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมา ลงโทษตัวเองอยู่นั่นแหละลงโทษแล้วลงโทษอีกลงโทษแล้วอีกโหมันโง่ ทำไมต้องเอามาลบสมองด้วยเรามีเรื่องดีคิดเยอะแยะทำไมต้องไปจดจําในสิ่งที่ไม่ควรจดจํา จำเรื่องไม่ดี แต่ขอย้ําอีกครั้งไม่จําไม่ได้แปลความว่าลืมแปลว่าไม่ใส่ใจ คนที่มีความรักแต่พระคือสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่ มันมีสิ่งที่เรามองเราจะมองสิ่งที่ดีหรือจะมองสิ่งที่ไม่ดีนะผมไม่ อ่าแล้วรู้อ๋อคนนี้นิสัยไม่บางเรื่องที่มัน แต่ผมไม่ได้แปลความละเลยเค้าไม่มองไม่ได้แปลความละเลยเรา พระเจ้ามองว่าเราเป็นพระฉายาของพระองค์เรารู้ไหมเราเป็นทุนบาปรู้แต่หา และพยายามกอบกู้เราขึ้นมาให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีหลุดพ้นจากบุคลิกที่ไม่ดีหลุดพ้นจากนิสัยที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มจุดเด่นของบุคลิกที่ดีนิสัยดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพระ พระองค์นี้มุมเดียวเท่านั้นเองที่เป็นส่วนที่ทําให้พระองค์มองเรา ความผิดนิดเดียวซึ่งคนเป็นอะไรที่ใน 10 อย่างความ 9 อย่างมีสิ่งผิดอยู่อย่างเดียว และที่ 9 อย่างอ่ะไอ้ที่ดี 9 อย่างไงไม่ใช่เพราะนิสัยดีไม่ใช่เพราะหมดแต่ แค่ละไม่มีคือไม่มีคืนความดีมีและก็ สิ่งดีๆอีก 9 อย่างทิ้งไปขาดทุนนะขาดทุนนั่นคือสิ่งครรนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนใจกว้างและมองแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่มอง แต่หลายครั้งแล้วเราชอบไปไขว้คว้าในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แย่สังคมก็แย่นะทุกวันเนี้ยถ้าสังคมเนี่ยจะ นะนั่นคือสิ่งที่อย่างหนุนใจ ต้องทึ่งภามเจ้าการทึ่งภามพระเจ้าแปลความว่าอะไรอันดับ Love Never Fails ความรัก พร้อมจะเดินไปสู่ แต่ขอเป็นไปตามอะไรน้ำพระทัยของบิดาอย่า แต่พระเยซูบอกเขาไปจะไปนะฮะไม่มีใครมาห้ามแม้บรรดาสาวกปฏิเสธพระเยซูแม้บรรดาสาวกทิ้งพระเยซูเหลือ แปลความว่าได้แสดงความรักของพระ สัญญาที่ 2 พระเยซูทรงให้เราสามารถ อันนี้ความรักของพระเจ้าเนี่ยเราต้องพึ่งพาพระเจ้านะ แล้วก็ก้าวเดินต่อไปเรามองข้ามความน่าเบื่อเราไปมองถึงความน่าจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความ ไหนจริงๆเราไปถามใครมางานเพชรไหนก็ตามแต่ทุกอย่างที่ทําทําเนี่ยปัญหาไม่ใช่งาน นะอะไรต่างพวกเนี้ยนั่นประสบการณ์ประสบการณ์ในพระเจ้าทําให้เราสามารถกรีนหยัดต่อไปได้เพราะพระเจ้าทรง พระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าสนใจเราพระเจ้าใส่ เราเป็นบุคคลหนึ่งที่พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วและเขา <c oughs> <c oughs> ถ้าพระเจ้ารักเราแบบนี้พระเจ้าก็ไม่เคยทิ้งเราสมรู้ชิงเราดีๆเนี่ยพระเจ้าไม่เคยทิ้งเรา <laughs> เราอยากจะเติมพังตรงเราเองแต่พอเจอปัญหาก็วิ่งแล้วหมดเนื้อหมด ด้วยความรักของพ่อที่มีต่อลูกเหมือนพระเจ้าที่มีกับเรานะถ้าพระเจ้ารักเรา คนได้กันเฉยนะ ด้วยความอาหารหรือการตรวยกายหรือการถูกโคยภัยหรือมีอะไรล่ะครับที่ทําให้กันเราควรเรียนรู้จากนี้ว่าเมื่อพระเจ้ารักเราอย่างไรเราควรจะรักคนอื่นอย่างนั้น พระองค์ไม่เคยให้เรารักมากกว่านะถ้าพระองค์ให้อภัยเราเรานะถ้าพระองค์ กับเราเราเคยทําผิดกับพระเจ้า แต่เมื่อถึงลูกค้าต้องช่วยก็ต้องช่วยจะเริ่มจากการช่วยคนอื่นไม่เปล่ามั้ยล่ะพระเจ้าให้ฟรีๆเรารับการฟรีเราควร ไม่คิดค่าราคาเหมือนกันพระเจ้าไม่เคยเรียกร้องค่าราคาจากเราเราก็ไม่ อากาเป้ซึ่งฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือรักแท้จะไม่ล้ม นั่นคือสิ่งสำคัญคือสิ่งสําคัญความรักอาจจะดูใหญ่ ที่มันดูหนักๆมันดูเพราะ Love never fails ความรักไม่มีคําว่าล้มเหลวสามารถก้าวต่อ <c oughs> สรรเสริญและขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอาจะร้องเพลงนี้ด้วยกันครับมีสหายเลิศคือพระเยซูพระเยซูรักเราและพร้อมในการ ยินอย่าไร้รบควรให้ท่องสาอุจจรีเพ็งนํา zijn เข้าฟังเฮ้นั้นในเราประชาโบยใจ Weer worden wij door God niet meer een enkel mens. We zijn een gezamenlijk geslacht. We zijn een gezamenlijk geslacht. We zijn een gezamenlijk geslacht. We zijn een Kilosama Rakkoe, wil je aan de zin En Rijn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 พระเจ้าทรงเป็นผู้เกื้อกูลโอมบรรเทาของ <ทาน S 1> จนราหดรบ พระเยซูพร้อมอยู่กับการอวย เมื่อเราจะรักเค้าได้ทันเสิร์ฟประจ๋าทันเสิร์ฟ เพราะเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดองค์รักเราเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดอาเมนใจครับ